และองค์ราชาองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้น เพื่อนํารักกลับ ที่มี 9 ปีที่ผ่านมา กองทัพภาคที่ 20 จังหวัด 95 สถานีขอเชิญฟังรายการอีสานม้วน my นี่คือ<ใช> 8 สัญญาวันนี้เวลา ซึ่งก็เป็นรายการที่กองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับทางสํานักปราชญ์สัมพันธ์เขต 1 เขต 2 20 จังหวัด 95 สถานีด้วยกันนะครับมีการหมุนเวียนดําเนินการเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบรรยากาศการสร้างความปรอง 20 จังหวัด ซึ่ง สภท. หนองคายสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายร่วมกันจัดขึ้น ครับ 20 จังหวัดทางอีสานด้วยนะครับทางครับ คืนความสุขให้แผ่นดินตามนโยบายของ คสช. เพื่อ 3 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมานะครับต้นมาครับ 3 ด้านคือ 1 คือครับ อัน 2 ก็คือในเรื่องของหรือเป็นกิจกรรมหมู่บ้านจัดเวทีครับ ซึ่งการดําเนินการตรงนี้เนี่ยนะ 1 นะครับในเรื่องของการคืนความสุข<ใช> ประพูนําชุมชน 8,000 คน การจัดนิทรรศการนะครับนะนะนะ 2 นะครับหรือกิจกรรม เชิญนะครับทางผู้นําทาง ซึ่งทั้ง 62 ตำบล 722 หมู่บ้านกับอีก 61 ชุมชนด้วยกันนะ 1 กรกฎาคม อ่าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายเนี่ยนะครับเพื่อจัด กิจกรรมนึงนะครับซึ่ง ได้ร่วมกันไปชี้แจงทําความเข้า ติดไว้เพื่อเป็นการอ่าสร้าง ก็วิ่ง 21 ขาสามัคคีนะเดินๆ20 ท่านเนี่ยมัน หาตัวแทนตำบลมาอ่าๆ ว่าถ้าไม่สามัคคีหรือ 3 กิจกรรมใหญ่ๆตรงเนี้ยนะฮะครับที่ อ่าที่ๆประเด็นด้วยกันนะครับที่เป็นนโยบายซึ่ง อ่าขณะนี้เกษตรกรชาวไร่ ก็ได้สั่งการให้ทางจังหวัดเช่น 200 ราคาเมล็ดพันธุ์พืชนะ อ่าขาย 15,000 บาทค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็ขึ้นตามแหละครับค่าใช้จ่ายเหล่า ขึ้นแล้วเนี่ยๆหน่วยตั้งแต่พาณิชย์การค้าภายในๆนี่ อ่าขายครับก็ได้มีการดําเนินๆเนี่ยนะฮะครับท่าน ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับแล้วก็ ต้องจ่ายไปในการผลิตแต่ละฤดูการเนี่ย เข้าใจปัญหานะครับผมว่าเกษตรกร จริงๆแล้วเนี่ยนะ อ่าพัฒนาครับแล้วก็ลดค่าใช้ครับครับที ก็จังหวัดหนองคายเองก็ต้องเรียนว่าเราป่า กานพ้าวแกงไก่ซึ่งก็มีปัญหา อ่าปลูกลูกนะครับป่าๆหน่วย ท่านผู้ 1 เองก็อ่าไปติดต่อ ต้นไม้เหล่านั้นนะครับก็เป็น ทางตามลําแม่น้ําโขงเนี่ยถึง 220 กิโลเมตร 220 กิโลเมตร อ่าๆนะครับครับเราคง อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วในพื้น 24 ก็ได้จำนวนเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับได้อ่าจํานวนเยอะ 3 หรือครับ พูดถึงเรื่องของอาชญากรรมการครับเรื่องของความสงบสุข นะครับเพื่อที่จะดูแลใน อ่าเหมือนจะเป็นเอาล่ะ ยังในช่วงเวลาที่ครับก็เอ่อไม่ได้ไม่ ก็ก็ครับผมครับอ่าท้ายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอ่าการ อ่าเพื่อที่จะดําเนินจังหวัด <c oughs> 3 เขมรเนี่ยซึ่งอ่าว่า จำนวน 2,000 คนนะครับแต่ว่าถ้าจะเดินทางลึก อลงทะเบียน ก็วันนี้นะได้รับ อ่าประเทศชาติของเรานะครับก็ อ่าความคิดที่แตกต่างไปนะครับ เพื่อให้เราได้รับโอกาสที่ดีนะครับ โดยการอํานวยการของท่านสารศรเหล่าวิไลปราชญ์สัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 72 และ 20 จังหวัดกว่า 95 สถานีที่ร่วมเป็นอ่าร่วมถ่ายทอด จะฟังสามารถดาวน์โหลดการย้อน 2 2mits นะครับครับสําหรับวันสวัสดีครับครับ ราชามวลประชาอยู่มาพลภัยขอ เสียง FM 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์สวทนครพนม